นผู้ฟังคะในการสัสนีสนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราคือว่าบางท่านโทรศัพท์มาไม่ได้ก็ส่งจดหมายมาทิ้งคำถามไว้หรือว่าฝากความระลึกถึงในลักษณะต่างๆบางท่านเนี่ยฝากของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้กราบขอบพระคุณมาในโอกาสนี้นะคะท่านส่งความปรารถนาดีมาให้ทางเราอย่างไร ขอให้ท่านได้รับมากกว่านั้นหลายๆเท่าแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้ท่านได้ประโยชน์จากการที่ฟังธรรมในช่วงของรายการของเราเนี่ยอย่างเต็มที่ค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะก็ยังเป็นการที่ผูกพันอยู่กับการตอบคําถามของคุณเชิญสุทธิดิ์ปทุมธานีที่เข้าใจว่าท่านผู้ฟังทุกทุกท่ทานเนี่ยจะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยเรามาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ พระอาจารย์ภับุตรอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีด้วยกันค่ะนมรส ก, การกันทัานค่ะค่ะเมื่อวานพอดีเวลาหมดนะคะกําลังสนุกเลยนะคะสําหรับการตอบคำถามคุณเชิญเอาเลยต่อได้เลยค่ะถ้าอาจารย์จะต่อเรื่องวิญญาณอีกสักนิดไหมคะครั้งที่แล้วเราจบกันที่ความเข้าใจเรื่องวิญญาณของคุณเชิญที่ว่าเชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตเมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปเกิดใหม่ค่ะพรุษฎีชาบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเกิดจาก เพราฉะนั้นเมื่อที่อาตมาพูดมาสักครู่เนี่ยวิญญาณของอาตมาดับไปแล้วแล้วมันเกิดใหม่แล้วค่ะแต่เพราะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับเส้นตรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยเอาปากกาเส้นหนึ่งมาเขียนลงบนกระดาษเส้นแผ่นหนึ่งเขียนเส้นตรงไปเส้นหนึ่งยาวประมาณห้านิ้วค่ะบอกว่าเอ๊เส้นตรงเส้นเนี้ยแต่มันเป็นเส้นตรงจรงิจรงๆเลยนะไม่จริงหรอกมันคือจุดที่มาต่อกันเฉยถ้าเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเล็กๆ เ, เ, เ, เราจะเห็นรอยต่อของจุดพวกนี้ นี่แหละคือที่พระเจ้าบอกว่าวิญญาณที่เราเห็นมันเนียนเป็นเส้นเหมือนกับเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งไปเนี่ยนะไม่ใช่มันเกิดจับมาแล้วไมนเหมือนเส้นเนี่ยมันเป็นจุดต่อกันงั้นไอการที่เราไปเข้าใจว่าเรามีวิญญาณที่แน่นอนเป็นของเราอยู่ในตัวเรายามเรามีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจตอไปว่าพอตายไปแล้ววิญญาณเราออกจากร่าง เรายังเป็นเจ้าของวิญญาณนั้นส่วนไปเกิดที่ไหนเนี่ยบังเอิญบุญบา ร, รมีไม่พอเลยจำไม่ได้ไม่รู้ก็แล้วแต่คนใช่ั้ยค่ะบางคนระลึกชาติได้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แหละพระพุทธเจ้าเลยบอกไงว่านานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเมื่อจะยึดถือก็มาเอายึดถือว่าใจเนี่ยวิญญาณของเราเนี่ยเป็นตัวเราของเรา ท่าอาจารย์คะทีนี้ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ท่าอาจารย์มีภาระที่จะต้องบอกวิธีพิสูจน์แล้วนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวตั้งเอาไว้ก่อนว่าเป็นโจทย์ <c oughs> ที่จะต้องให้ถ้าอาจารย์คลี่คลายแล้วละ่ะเพราะเชื่อว่าคนฟังรายการนี้ยบางท่านอาจจะเป็นคนขี้สงสัยนะคะ เ, าาเลย<า>ม ไ, ไม่ได้เชื่อทันทีเลยถ้านอาจารย์คะทีนี้มาที่คําถามของคุณเชิญสุดสะต่อคะ่ะถามว่าเข้าใจถูกหรื อ, อยังในเรื่องของเวทนาว่าหมายถึงรู้สึกเห็นใจความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณาอันนั้นคือความกรุณ า, าความกรุณาเนี่ยคือความกาถนาเอ่อคือความที่อยากให้เขาพ้นจากทุกข์นะเพราะนั้นนั้นคือความกรุณาเวทนาเนี่ยในความหมายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ค่ะนะพระพุทธเจ้าบัญญัติคําว่าเวทนาว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนา นะสมมุติเราไปรู้สึกว่าโอ้ปา ก, กานี้มันสวยเหลือเกินชอบนั่นมีเวทนาเกิดขึ้นในปา ก, กานะเพราะฉะนั้นเวทนาที่คำภาษาไทยที่เอามาใช้กันเนี่ยมีความหมายคลาดเคลื่อนอยู่หน่อยหนึ่งจากภาษาบาลีอืมก็อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากความเข้าใจของคนธรรมดาทั่วไปะนะคะว่าเวทนานั้นเข้าใจเหมือนคุณเชิญ มาเมื่อก่อนก็เข้าใจอย่างนี้คเ อ, อก็เลยก็เลยปรับจ้ะเรามักจะพูดว่าโหหน้าเวทนานจริงนะเวลาเจอคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่นี่ภาษาของพระพุทธองค์คือชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเหรือเฉยเฉยนะคะปัญหาคุณเชิญเข้าใจว่าราคะคือความอยากคือกามารมณ์คือกิเลสความต้องการความไคร พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส อ, อะระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะว่าตัณหาเนี่ยควรจะละเพราะฉะนั้นตัณหาคืออะไรคือความอยากตัณหานี่คือความอยากที่เป็นไปในฝักฝ่ายผิดอย่างเช่นตื่นเช้ามาอยากกินข้าวพออยากกินข้าวแล้วต้องไปฆ่าสัตว์ต้องไปรักทรัพย์ต้องไปเบื่อปปผิด อย่างอื่นเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารนี้คุณทำเป็ น, เ ป, นเป็นตามอำนาจตันหาไม่ถูกต้องค่ะถ้าบอกว่าตันหาคือความอยากแล้วถ้าดูจากที่คุณเชิญอธิบายมาก็คืออยากในสิ่งที่มันเป็นกิเลส น, นะคะราคะกรมารมณ์ความต้องการความอถ้าความต้องการทุน่ทนๆกับความอยากเนี่ยดี๋ยวฉันจะถามขยายความไปอีกว่าถ้ามันอยากในทางที่ดีนะคะโอ้เราอยากจะ บรรลุธรรมอย่างนี้เรียกว่าเรามีตันหาอยากจะบรรลุธรรมไหมคะท่านอันนี้เป็นความอยากที่เป็นไปในฝักใยแห่งบินวิชาแนะเป็น ส, สิ่งที่มีได้ดีถือว่าเป็นตันหาไหมคะก็เป็นตันหาตันหาในความอยากมีอยากเป็นแต่ว่าเป็นตันหาที่เป็นในฝักใยแห่งวิชาอ๋อคือตันหามีสองประเภทสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าตันหาในทางวิชากับอวิชาคืออย่างนี้ พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะใช้สิ่งที่ดีๆเนี่ยพระองค์จะไม่ใช้คําว่าตัณหาอ๋อค่ะตัณหาเนี่ยจะเลเวลหรือว่าใช้กับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นออแต่ถ้าจะพูดถึงความอยากที่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คําว่าความอยากเลยจะระวังคําพูดมากถึงว่าบทเพยัญชนะของพระเจ้าเนี่ยสำคัญจริงๆพระองค์จะใช้คําว่าสันทัศความพอใจเพราะฉะนั้นมีสันทัศเพื่อละสันทัศและมีความพอใจในการที่จะละหมดทุกสิ่งที่อย่างในโลกนั่นแหละคือสิ่งที่ดีค่ะ งั้นเดี๋ยวดิฉันเอาสรุปใหม่อีกครั้งนะคะว่าเท่ากับว่าถ้าเราจะพูดถึงตันหาเนี่ยคือความอยากใช่แต่มักจะเป็นการพูดถึงในความอยากที่ทําให้เกิดกิเลสไออย่างในสิ่งที่ไม่ดีคอยากในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ควรละสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกาะเกี่ยวไว้นะคะสิ่งที่ควรละเราไปอยากเนี่ยเรียกว่าตันหาแต่ถ้าเป็นความอยากที่ดีเนี่ยพระพุทธองค์จะไม่ใช้คํานี้ไม่ใช่คําว่าความอยากนะคะ ก็จะมีหลายคำที่ใช้เช่นคำว่าฉันทะใช่ไหมคะ <pave> ไม่ใช่มีเพียงคำเดียวใช่ไหมคะท่านการสมาทานอเ oh, คค่ะสมาทานนี่ก็ถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นของดีสมาทานสิ่งที่ดีๆก็ดีคอค่ะพระพุทธองค์ประนีตนะในการใช้ท่อยข์ก็<ำ>ถือว่าบทพยัญชนะสําคัญมากๆค่ะ euh, ต่อไปอ <c oughs> ุปทานค่ะท่านคะอุปทานคือเชิญเข้าใจอย่างนี้ค่ะท่านเข้าใจว่าการยึดมั่นถือมั่น เดินึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความนึกคิดและเห็นไปเองถูกไหมคะก็มีส่วนถูกมีส่วนดูอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นใช่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรต้องขยายความนิดหนึ่งยึดมั่นถือมั่นในความคิดของฉันในรูปของฉันในความรู้สึกของฉันในของของฉันในความจําของฉันพวกเนี้คือยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้า ค่ะต้องเป็นของฉันหมดเหรอคะของคนอื่นไม่ได้เหะท่านของคนอื่นเราก็ถือว่าเป็นของคนอื่นไงยึดมั่นว่าอันนั้นเป็นของคนอื่นอ่าคือคือได้ยึดมั่นทั้งทั้งในส่วนที่เป็นอัตราคือยึดการที่เราจะยึดมั่นว่าเป็นของคนอื่นได้เนี่ยมันต้องมีของเราก่อนสิหรือว่าพอมีฉันจึงมีของฉันพอมีของฉันจึงมีของคนอื่นพอมีฉันก่อนค่ะก็คือการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถือว่าถูกเป็นส่วนใหญ่ ใช่ใชมาพวงเดียวกันหมดเลยค่ะหรือมันอยู่ในพวงเดียวกันหมดเลยค่ะแต่เป็นการยึดมั่นในขัง5้าถูกต้องนะคะ<ม>รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ค่ะใช่ใชพบคุณเชิญเข้าใจว่าหมายถึงโลกหมายถึงแผ่นดินวัตตะสงสารชาติพบกับพบเนี่ยคุณเชิญเข้าใจว่าหมายถึงชาติด้วยนะคะและหมายถึงการสะสมผลบุญเพื่อความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้าจะช่วยให้พ้นทุกโศก โลกหรือแผ่นดินทางศาสนาพบเนี่ยคือสถานที่ที่จะไปเกิดยังไม่เกิดนะแต่สถานที่ที่จะไปเกิดค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะไปเกิดเนี่ยอะไรไปเกิดก่อนจิตไปก้าวลงคือไปเกิดถูกปะ่ะจิตไปก้าวลงไปเกิดในอะไรได้บ้างสี่อย่างจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพบในความหมายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยไม่ได้จากัดอยู่แค่โลกสวรรค์อะไรเท่านี้เท่านั้น แต่ยังเป็นในจิตของเราเนะวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้ถ้าบอกว่าภพเนี่ยเป็นเนื้อนาที่ให้จิตลงไปเกิดอ๋อคือถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าการทำเกษต ร, รกรรมภพนี่คือแผ่นดินถูกต้องนะคะเป็นการที่ให้พืชเนี่ยลงไปเกิดมเมล็ดก็คือวิ ญ, ญญาณแต่ <พบ S 1> ถ้าอาธิบายเท่านั้นมันไม่ครบถ้วนจริงๆนะคะต้องอธิบายชัดเจนในที่ทา่อาจารย์บอกก็คือจิต ที่จะก้าวลงไปเกิดใช่ไหมคะใช่จิตไปก้าวลงเกิด <ใน S 1> เกิดใ น, ในรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่มันมีสี่ขันเองเนี่คะท่านวิญ ญ, ญาณหายไปไหนคะเออวิญญาณก็คือวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปก้าวลงไปเกิดไงอ๋อค่ะอ่าเดี๋ยวจะหมดเวลาซะชาติหมายความถึงาศาสนาพุทธสอนให้คนทําความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าใช่ไหมคะอ๋อชาติคือการเกิดนะก็คือถ้าสั่งสมบุญชาติถูก ในชาตินี้ก็คื อ, คอปัจจุบันนี้ใช่ไหมชาติที่เราเกิดมาครั้งปัจจุบันชาติหน้าก็คือในพบต่อไปอันนี้เป็นความหมายของชาติเนี่ยคือร่างกายนี้แต่ชาติที่มีความหมายละเอียดก็คือการเกิดครั้งหนึ่งแล้วดับไปครั้งหนึ่งก็คือชาติหนึ่งดับไปแล้วของจิตนะเพราะฉะนั้นเราจิตที่เกิดขึ้นเร็วมากวับวับ ว, บวบัเนี่ยการเกิดดับเกิน ด, ดับมันโอโหถี่มากละ เพราะฉะนั้นหนึ่งชีวิตของเราก็มีสาระัะเอามีจํานวนมากชาติเลยใช่ไหมคะท่านถูกต้องของจิตเนี่ยจำนวนชาติของจิตนี่โอ้โหนับไม่ถ้วนเด็กเสียชีวิตหนึ่งเดือนนี่ก็มีชาตินันบไม่ท้วนแล้วเหมือนกันไหมคะนับยากมากท่านอาจารย์คะต่อเลยค่ะเดี๋ยวไม่พอชาติเออมาถึงชรามรณะชราคือแก่ง่อมเท่ามรณะคือตายวายชนอ่าใช่ไหมคะความแก่ความเสื่อมไปแห่งอายุความหนังเหี่ยวความฟันอผมหลอกฟันหลอเนี่ยคือคือความชราอืม ความตายก็คือการสิ oh ้นไปสิ uh anyway uh ้นไปแห่งอายุเพราะฉะนั้นจากอายุสิบสองไปสิบสามสิ้นไปแล้วปีหนึ่งค่านี่คือความแก่แคือความแก่ใช่ความตายก็คือว่าการที่ร่างกายนี้ไปค่ะความทุกข์คือความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะความทุกข์นี่โอ้โหพระพุทธเจ้าอธิบายไปเยอะมากความปรารถนาสิ่งนด้ไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นความทุกข์การไม่ได้ประสบกับสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ หลายอย่างค่ ะ, ค, ะความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถูกเพียงแต่ว่าไม่ครอบคลุมเท่านั้นเองหายใจเข้าหายใจออกอยู่วันนมีนินาทีเนี้ก็เป็นทุกข์แล้วค่ ะ, ค, ะคุณเชิญ ดิฉันต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ถามคำถามมาก็ทําให้คนอื่นเนี่ยใช่ถามละเอียดแล้วก็เข้าใจสงสัยนะคะแล้วสงสัยเหมือนกับคนอื่นที่สงสัยกันความเข้าใจของคุณเชิญก็สะท้อนความเข้าใจของคนจํานวนมากเช่นเดียวกันดิฉันเลยพลอย ไ, ได้รับคำตอบไปด้วยที่ตัวเองยังไม่ทันคิดว่าจะต้องมากราบเรียนถามท่านอาจารย์นะค ะ, ะวันนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์ภับุญอภิปุโนในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะไว้ในโอกาสนี้ค่ะ น, งกกนางสกัร ก, ก่ะทักก้นคะเจริญพร